สัตว์ดีใจที่ถูกฆ่าสัตว์บางตัวมันถูกฆ่ามันดีอกดีใจแต่ในขณะที่มันจะถูกฆ่ามันก็ทุกขทรมานเหมือนกันแต่ถ้ามันตายจากสัตว์แล้วไปเกิดเป็นคนเป็นอะไรนี่มันดีใจพระองค์หนึ่งแบกขอนไม้ไปทิ้งลงไปทับหัวหมาตาย ภายหลังหมาไปเกิดเป็นคนพออายุมันได้สิบกว่าปีมันนึกถึงพระองค์นั้นอยากจะไปกราบขอพระคุณที่ช่วยให้มันไปเกิดเป็นคนมันให้แม่มันพามาหาที่วัดทีนี้มันก็มาถามหาพระองค์นั้นบอกชื่อถูกด้วยแม่เขาถามว่าแกไปรู้จักพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่มันตอบว่าเมื่อสิบปีก่อนโนอนอ้าวถ้างั้นแกก็รู้จักพระองค์นี้ก่อนเกิดสิ ใช่เจ้าค่ะเมื่อก่อนนี้หนูเป็นหมาขี้เรื้อนอยู่ในวัดนี้อาศัยกินข้าวก้นบาดพระบังเอิญวันนั้นพระองค์นั้นท่านแบกขอนไม้ไปทิ้งที่ป่ายญคาหนูอยู่ในนั้นท่านไม่เห็นพอดีขอนไม้ไปทับหัวหนูตายตายแล้วมาเกิดกับแม่ที่เนี่ยพอรู้เดียงสาขึ้นมาคิดถึงแต่พระองค์นั้นอยากจะมากราบขอบพระคุณท่าน โหสิกรรมให้แล้วจะลบล้างกรรมได้หรือไม่มีผู้กราบเรียนถามว่าการสร้างกรรมโดยแยกแยะไม่ได้ว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดและผู้ที่ถูกกระทําก็โหสิกรรมให้แล้วจะยังมีกรรมอยู่หรือไม่ลุงพ่อเมตตาตอบว่า ที่เราทาทั้งที่รู้และไม่รู้มันสําคัญอยู่ที่เจตนาว่าจะทำถึงจะรู้หรือไม่รู้ว่าผิดหรือถูกทำลงไปแล้วมันก็ผิดเป็นกรรมทั้งนั้นแต่ถ้าเขาเอาโหสิกรรมให้กรรมที่ทำกับเขานั้นมันก็ลบล้างไม่ได้แต่มันจะหมดการพยาบามจองเวรกันการตัดกรรมที่ทำแล้วให้มันหมดไปไม่ได้ นอกจากเราจะทำดีในทางตรงกันข้ามให้มันเกิดความดีเกิดบุญกุศลมากขึ้นบุญกุศลมีกำลังแรงจะหนุนส่งวิถีชีวิตของเราให้วิ่งเร็วกรรมบาสนิดหน่อยที่มันมีอยู่วิ่งตามไม่ทันมันก็ว่างเว้นไปชั่วพักหนึ่งถ้าภายหลังเราประมาทไม่ทำความดีเพิ่มผลแห่งความดีมันลดน้อยลงกรรมที่ไม่ดีมันตามทันมันก็ให้ผล คือว่าผลของการกระทาคือกรรมผลของกรรมนี่ไม่มีใครลบล้างได้แม้แต่ผู้ที่จิตเข้าสำเร็จพระอระหันต์แล้วแต่ยังมีร่างกายอยู่ยังต้องรับผลของกรรมแต่เมื่อทิ้งร่างไปแล้วไปสู่นิพพานแล้วไม่มีกรรมมีอะไรที่จะไปให้ผลแก่เขาได้ที่เรียกว่าผู้สำเร็จพระนิพพานแล้ว เป็นผู้มีบุญและบาปอันลอยแล้วอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะมาเกิดในมนุษย์โลกอีกก็เป็นอันว่าบาปกรรมก็หมดสิ้นกันไปแค่นั้นนอกจากบาปกรรมจะหมดแล้วกิเลส ท, ที่เคยมีมันก็หมดสิ้นไป